เพื่อนที่เข้าไปทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังมีเรื่องมิลาวกันอยู่ทุกวันนี้เวลาเขาไปสอบถามความรู้สึกของแม่ที่เสียลูกไปหรือเมียที่เสียผัวเนื่องจาก ถูกเจ้าหน้าที่รัฐยิงตายเช่นในเหตุการณ์กลอเซสองปีที่แล้วที่ไปถ ล, ล่มมัสยิดกลอเซหรือว่ากรณิตากใบซุ่งมีคนตายเป็นจำนวนมากเกือบครบสองปีแล้วชาวมุสมลิมเหล่านั้นเขาก็จะหลายคนเลยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระอัลเลาะห์ ที่ลูกเขาตายที่ผัวเขาตายนี่เป็นพระประสงค์ของพระอัลเลาะ์ความคิดแบบนี้ก็ช่วยให้เขาคลายจากความเศร้าโศกแล้วก็ลดความโกรธเกลียดเยียบบาตรลงไปได้มากหลายคนก็ทำใจแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าที่ทำใจแบบนี้ได้ก็เยอะทีเดียวจะเรียกว่าเป็นลักษณะของชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ เวลาเจ็บเวลาป่วยลูกตายเขาก็ก็นึกถึงว่าเป็นพระบัญชาของพระอัลละฮ์แล้วก็ทําให้คลายความเศร้าโศกไปมีหลายเรื่องหลายอย่างที่มากระทบทําให้จิตทําให้ชีวิตมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาก็คิดถึงพระอัลลอฮ์ขึ้นมาว่าโอ้นี่เป็นพระประสงค์พระองค์ก็ทําให้วางจากความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ นี่มองมาในทางพุทธศาสนาเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ชาวพุทธเราทำใจตับความสูญเสียอย่างไรเราไม่มีพระเจ้าที่จะมาเป็นผู้กำหนดอะไรได้ชาวพุทธเราชาวบ้านแต่ก่อนเขาก็จะมองว่าเออมันเป็นกรร ม, มเร็นกรรมของเขาที่ต้องถูกยิงตาย หรือว่ากรรมของเขาที่เจ็บป่วยแล้วก็อายุสั้นอันนี้ก็ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายจากความเศร้าโศกได้หรือเวลาล้มละลายขึ้นมาทรัพย์สมบัติสูญไปพอ ค, คิดถึงเรื่องกรรมขึ้นมาก็ทำให้จิตใจหายอะไรเอาวอดได้แต่ว่าการบางอย่างมันก็คงจะ รมไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนเท่าไหร่เช่นฝนฟ้าตกเฉลิชากหรือว่าเวลานัดใครแล้วไม่มาเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจะมาทำให้ใจหายขุนเคืองเพราะมองว่าเป็นเรื่องกรรมมันก็คงจะไม่เข้า กับตัวเหตุการณ์เท่าไหร่ในพุทธศาสนาเนี่เราก็มีอยู่คำหนึ่งเวลาเจอเรื่องที่ไม่คึงปัถนาที่มากระทบเราก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาฝนฟ้าตกแบบนี้ก็เป็นธรรมดาใครก็ทำให้เราทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่มีใครเห็นความดีของเราก็ธรรมดานะ หรือว่าทำดีไปแล้วก็ยังมีคนมาตำหนิดินทาเพราะธรรมดาการนึกถึงความเป็นธรรมดามันก็ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้มากเพราะถ้าเราไม่นึกว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อไหร่เรานึกว่ามันเป็นปัญหาเมื่อไหร่อันนี้แหละจะยุ่งเวลาเรา เจอแล้วก็ตามแล้วเรามองว่ามันเป็นปัญหาฝนตกก็เป็นปัญหาแดดร้อนก็เป็นปัญหาเสียงดังก็เป็นปัญหาคนตำหนิคนนินทาก็เป็นปัญหาแบบนี้นี่มันก็ทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ต้องดิน้นรนบางอย่างมันก็ไม่จะเป็นต้องดิน้นรนธรรมดาครับว่าธรรมดานี่มันหมายความว่ารวมไปทุกอย่างนะ มันรวมไปทุกอย่างคือมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้มาถึงเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ีย้วาตถตาเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันมามันมาประจบเหมาะหรือวันมันมามันรวมกันเข้าเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นเช่นนั้นเองตัทตาถือว่าเป็นธรรมดา เวลาเราเจออะไรก็ตามที่ไม่ถูกใจไม่สมหวังลองมองแบบนี้ดูบ้างว่ามันเป็นธรรมดาการมองแบบนี้หรือการทำความเข้าใจแบบนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจโดยตรนหนักว่ามันเป็นลมเหตุปัจจัยคือไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันมีอะไรมาลิคิดที่มันเป็นธรรมดาธรรมดาแบบนี้เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยมันทาให้เป็นอย่างนี้ มันก็ทำให้เราไม่ทุกข์มากอย่ายอย่าไปมองว่าไอ้ที่มันธรรมดาไม่เป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาอันนั้นถ้าไปคิดว่าเป็นเรื่องโชคชะตานี่มันมันไม่ถูกละมันไม่ใช่เรื่องโชคชะตามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเมื่อเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยก็ทำให้เรายอมรับได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยายให้ลูกให้หลานหุงข้าว ยายสอนหลานให้หุงข้าวหุงข้าวสมัยก่อนไม่มีเตาไฟฟ้าหรอกก็ต้องหุงด้วยถ่านหลานนี่ข้าแล้วเพราะว่ามันไหม้ขึ้นมาหลานก็เสียใจเป็นทุกข์ยายก็บอกว่าธรรมดาก็หุงข้าวด้วยไฟนี่มันก็ต้องไหม้อันนี้มันธรรมดาวันต่อมา หลานก็หุงข้าวอยู่เพราะว่าข้าวมันแฉะก็เสียใจยายก็บอกหลานว่าธรรมดาถ้หุงข้าว้วยน้ำเนี่ยมันก็ต้องแฉะในการเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะว่าหุงข้าวนี่มันต้องใช้ทั้งน้ำทั้งไฟมันก็ต้องมีแฉบ้างไหม่บ้า ง, างยายซึ่งพาลงมามากก็้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะว่าการหุงข้าวนี่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ มีต้องอาศาัยทั้งน้ำทั้งไฟเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมากไปก็แช่ถ้าไฟมากไปก็ไหมอย่างนี้แหละเป็นอื่นตายไม่ได้แล้วก็ธรรมดาในการเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยหรือรู้ว่าต่างเศษท่างสิ่งต่างๆนี่มันมีเหตุปัจจัยหละยอย่างมากมายซึ่งไม่ต้องบรรยายไม่ต้องเจรไนเพราะมันมีเยอะมากเมื่อเรารู้ว่มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยแล้วเมื่อเหตุปัจจัยนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ลงตัวกันแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่ ไม่พึงปรารถนาแก่เราเรารู้เราเข้าใจเราก็บอกว่าเป็นธรรมดาหรือบอกว่าเป็นเช่นนั้นเองต า, าตาลองใช้คาถาอย่างนี้ดูบ้างอย่าไปมองว่าอะไรเป็นปัญหาเสี็มหมดนะสมัยนี้มันเป็นสมัยที่ทุกอย่างนี่ดูจะสมบูรณ์ไปเกือบหมดเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ทาให เราสามารถจะควบคุมอะไรตั้งหลายอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเราก็คุมได้แล้วจะให้ผมเป็นอย่างไรผิวเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจหวังได้สามารถที่จะปรับปรุงตกแต่งหรือว่าบัญชาสวดส่งให้เป็นไปอย่างไรก็ได้มีบ้านเราก็สามารถจะ ควบคุมบังคับบัญชาให้บ้านมีอุณหภูมิอย่างที่เราต้องการมีสีอะไรก็อยาได้อย่างอย่างที่เราต้องการทุกอย่างนี่สามารถที่จะเนรมิตได้เรามีความเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามใจหวังแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเรามีมาตรฐานสูงคนสมัยนี้มีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะคนในเมือง กลายเป็นปัญหาไปหมดถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจหรือมันไม่เข้ากับมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมองว่ามันเป็นธรรมดาดูบ้างอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาให้ความทุกข์มันก็น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเราเอามาเป็นปัญหามันก็มารบกวนจิตใจนี่การมองว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงเป็นเช่นนั้น หรือว่าอาจจะมองอีกแน่หนึ่งก็ได้ว่าเออที่หลวงพ่อชาท่านแนะว่าทุกอย่างนี่แหละมันถูกอยู่แล้วแต่ว่าที่เราทุกข์เพราะว่าเราวางใจไว้ผิดทุกอย่างมันถูกอยู่แล้วมันถึงถูกตามหลักธรรมดาถูกตามหลักธรรมชาติคือธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองหรือว่าเหตุปัจจัยทำให้เป็นเช่นนั้นเองอย่างมันถูกอยู่แล้วแต่ที่เราทุกข์เพราะเราวางใจไว้ผิด ไอ้ฝนตกอย่างนี้เนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วไม่ใช่เพราะมันเป็นฤดูฝนเท่านั้นแต่เพราะเหตุปัจจัยมันมาอย่างนี้บางทีมันก็ตกกลางฤดูหนาวก็มีแม้จะไม่ใช่ฤดูของมันแต่ฝนตกกลางฤดูหนาวก็ถูกของมันเพราะเหตุปัจจัยมันมาอย่างนั้นอาจจะมีลมมาจากจากประเทศจีนหรือเพราะว่าดึนฟ้าอากาศแปรปรวนมันก็เลยฝนตกกลางฤดูหนาว ก็ทุกของเขานะที่ฝนตกแต่ที่เราทุกเพราะว่าใจเราวางไม่ผิดอันนี้ลองปรับใจงล้วให้วางให้ถูกถูกบ้างก็ไม่ทุกนะบางอย่างก็เป็นเรื่องง่ายง่ายเช่นมียายคนหนึ่งแกมันเรียกคุณป้าดีกว่าเวลาฝนตกก็ทุกเสียใจกังวลเพราะวันนึกถึงลูกเพราะลูกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพวกช่างปั้นช่าง ช่าทำเรื่องดินเผาเวลาฝนตกก็ไม่สามารถจะเอาหมอ้อเอาเอ า, เอาหายดีนมาตากแดดได้นึกถึงลูกว่าฝนตกแล้วทําให้ลูกก็ลําบากก็เลยเป็นห่วงกังวลแต่เวลามันไม่มีฝนเลยมีแต่แดดก็เศร้าอีกเสียใจอีกเพราะว่าลูกคนนึ่งเขาเป็นชาวสวนมีแต่แดดไม่มีฝนเลย แล้วลูกที่เป็นชาวสวนจะทําอย่างไรก็เป็นนะว่าแกทุกทั้งปีอ่ะคนนี้ก็สงสารก็ไปทําให้แกปล่อยวางยังไงก็แกก็ปล่อยวางไม่ได้ก็เลดพาไปก็เลยพาให้ไปหาหลวงพ่อพ่อก็เลยบอกว่ามันจะยากอะไรโยมนะเวลาฝนตกมาก็นึกถึงลูกที่ทําสวนสิเออฝนตกมาลูกที่ทําสวนก็ยิ้มแหละนะ เวลาไม่มีฝนเวลามีแต่แดด ก, ก็นึกถึงลูกที่เขาทาที่เป็นช่างปั้นเี่ยเขาก็จะได้เอาของมาตากได้คิดแบบนี้ก็พอแกนึกได้อย่างนี้เขาเออแกก็สบายใจนะทีนี้ฝนมาก็ยิ้มฝนไม่มามีแต่แดด ก, ก็ยิ้มคือมันเป็นพอใจในวางไว้ผิดฝนตกดันไปนึกถึงลูกที่เป็นช่างปั้นเวลาไม่มีฝนแดดออกก็นึกถึงลูกที่เป็น คนสวนมันจะไม่ทุกได้ยังไงมันไม่ใช่เพราะดินฟ้ากา่าแต่เพราะใจเรานะวางไว้ผิดของทั้งหลายทั้งครัวนี่มันถูกอยู่แล้วนะมันถูกโดยเหตุโดยปัจจัยแม้แต่คนที่เขาดินทาเราเพราะเห็นความดีของเราก็ถูกของเขาถูกตามเหตุตามปัจจนะัยใจเรามันไปยึดจะให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการต่งางหากเราก็เลยทุกข์ อันนี้ถ้าเรามองแบบนี้นะมันก็ทำให้เราก็อยู่ในโลกที่มันเป็นอย่างนี้ได้นะโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะมีขึ้นมีลงนะมันมีความพันผวนไม่สามารถจะเป็นไปตามใจเราได้แต่ถ้าเรามองให้เป็นนะมันก็ช่วยทำให้เราไม่ทุกข์ไปกับโลกได้หรือเวลาแม้กระทั่ง เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาปฏิบัติแล้วมันมีอกุศลวิตตกเกิดขึ้นลองมองบ้างว่าเออมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเพราะใจของเรานี่มันถูกฝึกมาให้โกรธเวลามีอะไรกระทบก็ใจก็แล่นเข้าไปหาความโกรธอย่างที่พูดเมื่อวานตาเห็นลูกหูดินเสียงก็พอ เ, เกิดทุกเวทนาเขาก็แล่นไปเลยมันแล่นไปในไปล่องเดียวคือล่องของอารมณ์ มีอะไรเกิดขึ้นถูกใจไม่ถูกใจก็เข้าไปในล่องของอารมณ์ชอบไม่ชอบโกรธเกลียดอยากได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ในล่องแบบนี้มาช้านานแล้วพอเวลาปฏิบัติเนะี่ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเครียดขึ้นมาโกรธขึ้นมางุนงนขึ้นมาถ้าเรามองไเป็นเรื่องธรรมดาของจิตแบบนี้เออเราก็ วางใจเป็นอุเบกขาได้แต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเพราะความยึดดีติดดีของเราว่าปฏิบัติธรรมแล้วใจต้องสงบปฏิบัติธรรมแล้วใจต้องเกิดเป็นกุศลขึ้นมาพอปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความเครียดความกลัวขึ้นมาเอาแล้ควคราวนี้ไม่พอใจแล้วแต่ก่อนไม่พอใจคนอื่นคราวนี้ไม่พอใจตัวเองแล้วแต่ก่อนไม่พอใจคนอื่นที่เขา ทำแล้วไม่ถูกใจเราทีนี้ไม่พอใจตัวเองที่ใจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ตอนนี้ก็เกลียดซ้ำสองเลยเกลียดซ้ำสองอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้รู้ทันมันให้มีสติมีสติรู้ทันพิจารณาเห็นมันเฉยๆทามันยังยังเห็นเป็นเฉยๆไม่ได้ก็มองว่าเป็นธรรมดาบ้างนะหรือมองว่าดีเหมือนกันนะ มันจะได้มีอุปกรณ์ในการศึกษาธรรมะเพราะว่าถ้ามันลาบลื่นไปเสียหมดนะการปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่ก้าวหน้าแต่พอเราได้เห็นความโกรธ ด, ดูบ้างมันก็ได้เห็นโทษเห็นโทษของความยึดติที่เขาเรียกว่าอาทินวะนี่แหละคือโทษของสังขารก็คือว่าควาไม่เป็นไปตามใจเราสิ่งทหลายทั้งโวงนี้มันมีทั้งคุณและโทษ ไอ้ที่มันเป็นโทษก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นทุกข์เราก็ได้เห็นเลยวันีก็ได้เห็นอ น, นิจจังนี่นะเห็นนั้นอนิจจังเมื่อกี้ยังสบายดีอยู่เลยเมื่อกี้ยังเคลิ้มอยู่ดียังสบายดีอยู่เลยอ่าตอนนี้โกรธซะและ้วนะทําไมจิตมันแปรผันเร็วอย่างนั้นเราได้เห็นอ น, นิจจังเราได้เห็นทุกข์ของความโกรธว่ามันเผารนจิตใจอย่างไรบ้างแล้วต่อไปก็ได้เห็นอนัตตาก็เรียได้ได้เห็นไตรลักษณ์ ถ้ามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยปัญญามก็เกิดโยนิโสมาสิกาคือการมองอย่างแยบคายการมองอย่างถูกต้องคิดถูกคิดเป็นก็เกิดก็คือได้เห็นไตรลักษณ์ได้เห็นไตรลักษณ์ได้พิจารณาไตรลักษณ์ไปด้วยอันนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นล่องความคิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องสร้างขึ้นขุดขึ้นมาให้ได้จนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยที่จะไปทางนี้ ตายลูกผู้ ด, ดินเสียงเกิดเวทนาขึ้นมาะมีสติรู้ครับปัญญาเข้ามาทำงานรับช่วงต่อเห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นแง่ดีของมันหรือว่าเห็นว่าเป็นธรรมดาก็ได้พิจารณาอยู่เสมอเสมอแบบนี้ตถตาธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังนะ แนวกระทั้งเวลาที่มันเจอเหตุการณ์ที่สมหวังหรือน่าพอใจเช่นคนชมเราหรือว่าประสบความสำเร็จหรือว่าทำมาค้าขึ้นก็บอกกับตัวเองได้เหมือนกันว่ามันธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองพอไม่งั้นเนี่ยมันจะเหลืองแล้วก็จะไปติดไปติดในคำชมไปติดในความสำเร็จพอติดแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเฉพาะ อันนี้แหะคือต้นต่อของทุกข์เพราะมเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจเราไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรายึดเอาไว้เราก็ทุกข์เพราะฉนั้นเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์ฝ่ายบวกก็ให้มองว่าเป็นธรรมดาบ้างคือเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่เพราะาเราเก่งคนเดียวแต่เป็นเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างการพิจารณาช น, นี้ก็ทําให้เราเป็นอุเบกขาได้ใจไม่เหลิง่งหรือพิจารณาต่อไปว่ามันเป็นอ น, นิจจัง เป็นอนิจจังเขาเมื่อวานเขายังดา่าอยู่เลยวันนี้อามีความชมเชละเป็นอนิจจังก็เตือนใจไม่ให้เหลิ่ตถตาหรือว่าเช่นนั้นเองหรืออนิจจังนี้มันต้องใช้กับเหตุการณ์ทั้งฝ่ายลบและฝ่ายบวกนะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายลบอย่างเดียวเช่นความพัดภาคสูญเสียสิ่งไม่สมหวังแม้จะประสบสิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบ ก็พิจารณาแบบนี้ไว้นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาทำงานทำการก็ทำให้เต็มที่อย่าไปคิดถึงผลมากอย่าไปคิดถึงความสำเร็จหรือคิดถึงความล้มเหลวมากมีเพื่อนเขาใช้กติเนี่ยเขาถือกตินี่ว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้าคือหน้าที่ของเราซึ่งเป็นมนุษย์ก็คือทำให้เต็มที่ ส่วนความสำเร็จหรือความล้มเหลวนี่มันเป็นเรื่องของฟ้าฟ้านี่หมายหมายถึงพระเจ้านะแต่หมายถึงในแง่าชาวพุทธก็หมายถึงเหตุปัจจัยหรือว่าตัฐตานั่นเองถ้าเปลี่ยนให้เป็นพุทธก็คือว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของตัฐตานั่นอย่าไปนสนใจเรื่องความสำเร็จหรือความล้มเหลวบางอย่างนี่เดยวนี่คนไม่กล้าทาอะไรเพราะกลัวว่าทาแล้วจะล้มเหลว ใจมันไปโพลงกับความสําเร็จและความล้มเหลวยิ่งนึกว่ามันจะล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ไม่อยากทํา ท, ทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีอยุคนี้คนไม่กล้าทําความดีกันเพราะกลัวแล้วกลัวทําทแล้วคนจะไม่เห็นกลัวว่าทำแล้วจะไม่สําเร็จไปพวงที่ผลถ้าเป็นชาวพุทธเราไม่สนใจเรื่องผลเลยเราทําเหตุให้ดีพิจารณาว่าเหตุที่เราทํนนน า, ทาทนั้นมันดีไหมเจตนาที่เราทํานั้นมันดีไหมวิธีการที่เราทํามันดีไหมมันถูกทํำไหม ถ้ามันถูกธรรมะมีเจตนาดีทำด้วยฉันท่าไม่ได้ทด้วยกิเลส ท, ทำด้วยเมตตาไม่ได้ทำด้วยความโกรธความเกลียดก็ทำไปเถอะส่วนความสำเร็จนั้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นนั้นยกให้เป็นเรื่องของตัฏฐตาไปและบางทีมันก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นมาอย่างเพื่อนคือรฆษณาซึ่งเขาทำเรื่องเรียกร้องให้มีการแปลรูปเรียกร้องไม่ให้มีการแปลรูปลงไฟฟ้าก่อฟออ ไม่มีใครบอกว่าสําเร็จเลยอย่าทําเลยทําแล้วไม่มีประโยชน์แต่เขาก็ทําโอกาสสําเร็จมีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์หรือไม่มีเลยแม้แต่ทนายก็ไม่กล้าบอกว่ากลัวเสียประวัติว่าทำแล้วแพ้เพราะว่าเขาทําลักชณะทุกครั้งนี้จะมาทํายื่นคําร้องเพื่อส่งให้ศาลเขาไม่อยากทําแต่ว่าลักษณะก็ไปกระตุ้นให้ทําแล้วก็ไปยื่นแบบจนเจียนพอดีทําแบบที่เรียกว่า ไม่มีความหวังว่าชนะแต่มันก็ชนะจนได้มีคนไปถามเขาว่าทําแล้วนี่จะชนะหรือถามก่อนที่จะประกาศผลทําแล้วจะชนะหรือเขาก็บอกว่าแล้วคุณจะทําแต่เฉพาะเหตุการณ์ที่ชนะหรือถ้าแพ้แล้วไม่ทํารเดี๋ยวนี้เราเอาแพ้ชนะเป็นเครื่องตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําไม่ได้เอาความถูกต้องหรือเอาธรรมะ ถ้าเราเอาทำมาเป็นใหญ่แล้ว้ผลมันจะเป็นยังไงเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตหรือว่ายกให้เป็นเรื่องของตัฐตาซะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันจะมีความสุขจะมีกําลังใจในการทําความดีมากมายราะันนี้เราลองคิดเจรณามองอะไรให้เป็นเรื่องของตัฐตาบ้างหรือว่ายกความสําเร็จความรุ่มเร็วให้เป็นเรื่องของตัฐตาเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็อย่ามองเป็นปัญหามองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดา อ, นน of of อันนี้แหละเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นอยู่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเอาความชอบไม่ชอบเป็นหลักถ้าชนะทำถ้าไม่ชนะฉันไม่ทําถ้ามีคนชมฉันทำถ้าไม่มีคนชมฉันไม่ทําถ้าได้ผลประโยชน์ฉันทำถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ฉันไม่ทําอันนี้เป็นเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นอันนี้เราเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นอยู่ด้วยความอยากด้วยตัณหาแต่ถ้าเราทําด้วยปัญญาเละพร้อมที่จะมองและให้มันเป็นเรื่องของตัทธตาไปมองว่าเป็นเช่นนั้นเอง ชีวิตเราก็อาจจะไปอีกทางหนึ่ง